นิมิต ด, ดังกล่าวนี้มีสองอย่างคือนิมิตของสมาธิอันเป็นฝ่ายกุศลนิมิตกับนิมิต กิเลสอันเป็นฝ่ายอกุศลนิมิตสุดแต่ว่าสิ่งที่กำหนดนั้นนำให้เกิดสมาธิรู้สิ่งที่กำหนดนั้ น, น นำให้เกิดกิเลสสิ่งที่กําหนดให้เกิดกิเลสก็ดังเช่นที่เรียกว่าสุภนิมิตสิ่งที่กําหนดหมายว่างดงาม คือเมื่อจิตกำหนดลงไปในสิ่งใดว่างดงามสิ่งนั้นก็เรียกว่าสุภนิมิตสิ่งที่กำหนดหมายว่างดงาม ซึ่งนำให้เกิดกามฉันความพอใจรักใครในกามหรือทางกามอันหมายถึง สิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจดังเช่นเมื่อตาเห็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงอะไรจมูก ได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รสอะไรกายได้ถูกต้องอะไรถ้าจิตกำหนดลงไปว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลทพันนั้นเป็นสุภะคืองดงาม <c oughs> ก็นำให้เกิดกาม หรือการมฉันความรักใคร่พอใจและสิ่งที่กำหนดนั้นก็เรียกว่ากามเหมือนกันคือกามคุณอารมณ์หรือวัตถุ ก, กาม แต่ถ้าหากว่าจิตกำหนดลงไปว่ารูปเสียงกลิ่นรสพจพภะนั้นเป็นอสุภะคือไม่งดงามเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดต่างๆจิตก็จะสงบตั้งมัน เป็นสมาธิได้ไม่กวัดแกวง่งไปในอารมณ์มีรูปเป็นต้นเหล่านั้นสุภนิมิตรคอกำหนดหมายว่าไม่งดงามจึงนำให้จิตได้สมาธิ จึงเป็นนิมิตไฟกุศลนี่คือนิมิตพ ร, ระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ยกภิกษุเป็นที่ตั้งแต่ก็เป็นคำสอนสำหรับผู้ปฏิบัติ กรรมฐานทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตไม่ว่าจะเป็นเครือหัสก็พึงประต้องปฏิบัติตามที่ตรัสสอนเอาไวน้นี้และที่ตรัสว่าปฏิบัติประกอบอธิจิต ก็หมายถึงสมาธิเพราะสมาธินั้นชื่อว่าอธิจิตเพราะเป็นจิตที่ยิ่งอันหมายความว่าเป็นจิตใจที่ยิ่งไปกว่าจิตสามัญทั้งปวง เพราะจิตสามัญทั้งปวงนั่นเป็นจิตที่เป็นไปตามความใคร่ปรัตตกไปตามใคร่ตามปรารถนาตามพอใจซึ่งมีปกติดำเนินไป ในทางกามเป็นพื้นคือเรียกว่ากามาผจรทางอภิธรรมคือเที่ยวไปในกามหรื อ, อยังลงในกามเป็นกามาวัจรจิตอยู่เป็นพื้นเพราะฉะนั้นกามคุณอารมณ์ เรียกว่าอาไลคือเป็นที่โพพันอาศัยของกามาวัจรจิตทั้งหลายเหมือนอย่างน้ำชื่อว่าอาไลโดยที่เป็นที่อาศัยของปลา ปลาอาศัยอยู่ในนา้าฉันใดกามาวจระจิตก็อาศัยอยู่ในอะไรคือกามะคุณอารมณ์ฉันนั้นนี่เป็นจิตสามัญส่วนอธิจิตแปลว่าจิตยิ่ง คือจิตที่ยิ่งไปกว่าจิตสามัญดังกล่าวเพราะมาปฏิบัติให้จิตตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์กรรมฐานซึ่งสูงกว่า อารมณ์กรรมาฐานทั้งปวงนั้นเป็นที่อาศัยของจิตที่สูงกว่ากามคุณอารมณ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องยกจิตขึ้นจากกามคุณอารมณ์ ันเป็นที่อาศัยโดยปกติของกามาวจรจิตของตนขึ้นมาสู่อารมณ์ของกรรมฐ า, านจะเป็นกรรมฐ า, านข้อไหนก็เป็นอารมณ์ที่สูงกว่ากามาวจริตกามาวจรจิตทั้งนั้นดังใน ดังในสติปัฏฐานตั้งแต่ข้อว่าได้ลมหายใจเข้าออกตั้งจิตกำหนดลมหายใจเข้าออกก็เป็นการยกจิตขึ้นจากกามคุณอารมณ์มากำหนดในอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจเข้าออก ในข้อว่าด้วยอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่ว่าด้วยอิริยาบถน้อยและต่อไปว่าด้วยสติที่ไปในกายคือพิจารณากายแยกออกเป็นอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสอง ก็เป็นนิมิต ท, ที่สูงขึ้นไปกว่านิมิต ท, ทางกามทางนั้นหรือเป็นอารมณ์ที่สูงกว่ากามคุณอารมณ์ทางนั้นทุกข้อทุกบทเพราะฉะนั้น ข้อหนึ่งจึงได้ตรัสสอนไว้มีความว่าเมื่อกำหนดนิมิตอันใดอกุศลธรรมทั้งหลาย อันประกอบด้วยชันทะคือความพอใจในกามประกอบด้วยโทสะความขัดเคืองโกรธแค้นประกอบด้วยโมหะความหลงบังเกิดขึ้นกอบพึง ทำไว้ในใจกำหนดนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นเมื่อกำหนดนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นได้อกุศลธรรมทั้งหลายหรืออกุศลนุบิตก ความตึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายอันประกอบด้วยความพอใจในการบ้างประกอบด้วยความขัดเคืองโกรธแค้นบ้างประกอบด้วยความหลงบ้างก็ย่อมจะสงบไปเปรียบเหมือนอย่างช่างไม้หรู้สิทธิของช่างไม้ ลิ่มสลักอันเก่าออกโดยลิ่มสลักอันใหม่ที่ดีดังนี้ในข้อหนึ่งนี้ ก็เป็นหลักปฏิบัติเริ่มตน้นของผู้ปฏิบัติกรรมาฐานทั้งปวงคือเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัตินั่นจิตย่อมอาศัย ทุกคล้าอยู่กับกามะคุณอารมณ์เป็นประจำฉะนั้นจิตนี้เองจึงประกอบด้วยกามฉันความพอใจรักใคร่ในทางกามบ้าง โสดความโกรธแค้นขัดเคืองบ้างโมหะความหลงบ้างฉนั้นเมื่อมาปฏิบัติกรรมฐานจึงยกจิตขึ้นจากอารมณ์อันเป็นที่ท่องเที่ยวไปอาศัยของจิตนั่น ขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมาฐานค้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อเป็นดังนี้อกุศลและทอกุศลวิตกทั้งหลายดังกล่าวก็จะสงบลง และการปฏิบัติดังนี้ก็เป็นเหมือนอย่างว่าไม้กระดานที่มีลิ่มสลักอันเก่าตอกติดอยู่แล้วเมื่อต้องการที่จะนำเอาลิ่มสลักอันเก่านั้นออก ก็นำเอาลิมสลักอันใหม่ที่ดีมาตอกลงไปลงนั้นเมื่อเป็นดังนี้ลิมสลักอันใหม่ที่ตอกลงไปนั้นแข็งแรงกว่าดีกว่า จึงตอกเอาลิ่มสลักอันเก่าหลุดลงไปได้และไปตั้งอยู่แทนที่ลิมสลักอันเก่าที่หลุดออกไปนั่นฉะนั้นผู้ปฏิบัติกรรมฐานจึงต้องตั้ง ต, งตนโดยข้อนี้ อธิบายประกอบต่อไปว่าอันกามคุณารมณ์เป็นต้นซึ่งเป็นที่อาศัยท่องเที่ยวไปของจิตสามัญแม้ว่าจะยกเอากามขึ้นมาเป็นที่ตั้ง เพียงข้อเดียวก็พึ่งทราบว่าเมื่อมีกามก็ต้องมีโทสะและต้องมีโมหะก็เป็นอันว่าที่วก า, ารมคุณอารมณ์นั่นก็รวมทั้งกิเลสกองโทสะโมหะ ก็เป็นอันว่าอิเลสสามกองคือราคะโทสะโมหะหรือว่ากามฉชันโทสะโมหะหรือพยาบาทโมหะซึ่ง รวมเข้าเป็นกิเลสกองราคะโทสะโมหะสามกองนี่ย่อมสัมพันธ์กันอยู่มีข้อราคะนำหรือการมาฉันนำก็จะต้องมีโทสะมีโมหะและขอ้อใดข้อหนึ่งก็อาจจะนำด้วยกันได้ทั้งนั้น ม่นโดยเฉพาะโมหะนั่นดึงสักหน่อยหนึ่งเรียกว่าเป็นมูลของทั้งหมดก็ได้แล้วว่าที่ปรากฏอาการออกมาแจ่มชัดอยู่บ่อยๆก็เป็นราคะหรือ ก, การมฉันหรือโทสะและโมหะที่แสดงอาการยำยาบออกมาก็เป็นความงุนงุงความเครือบเครื่อนความพุ่งสร้างความรำคาญความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆ เรายังมีหะมียังมีโมหะที่ลึกซึ้งลงไปอีกก็เป็นอันว่าจิตนั่นท่องเที่ยวไปอยู่ประกอบอยู่กับบรรดากิเลสเหล่านี้ยกขึ้นพูดคำเดียวว่ากามาวจรจิตหรือจิตที่เป็นไปกับกามาคุณอารมณ์ เพราะฉะนั้นเองเหมือนอย่างว่าเป็นลิ่มสลับที่เสียบจิตอยู่เป็นประจําและจิตนี้เองก็มีความพอใจในสิ่งที่เสียบจิตอยู่นี้ด้วยเรียกว่ามีความติดติดอยู่ในกิเลสที่เสียบจิตนี้ไม่ พยายามที่จะสลัดออกเพราะฉะนั้นเมื่อยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมาฐานข้อใดข้อหนึ่งดังที่ตรัสสอนไว้ในสติปัฏฐานซึ่งเป็นข้อปฏิบัติกรรมาฐานทุกข้อ อารมณ์กรรมฐานที่ยกจิตขึ้นสู่นี้ก็เหมือนยังลิมสลักอันใหม่การที่จะให้ลิมสลักอันใหม่ลงไปสู่จิตหรือเข้ามาสู่จิตได้นั้นก็จะต้อง ถอนเอาลิ่มสลักอันเก่าออกเสียให้ได้และในการที่จะถอนลิ่มสลักอันเก่าออกเสียให้ได้นั้นก็จะต้องมีลิ่มสลักอันใหม่ที่แข็งแรงกว่าที่ดีกว่า และจะต้องมีกำลังตอกในการตอกนั้นที่ทางไม้ตอกริมสลับปกติจะต้องมีไม้คอ้อนทำไมจะต้องมีไม้คอ้อนก็เพราะว่าลำพังกำลังมือจะเอามือตอก หรือเอามือไปดันดันไม่สำเร็จจะต้องมีไม้คอนและจะต้องออกกำลังตอกทั้งริ่มสลักอันใหม่นั้นก็จะต้องแข็งแรงไม่ใช่ไม้โผต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงที่ดียิ่งไม่กว่าริมสลักอันเก่าและก็มีออกที่แรงพอ ยังจะดันเอาลิ่มสลักอันเก่าที่เสียบไม้กระดานอยู่เก่านั้นหลุดลงไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนอุปการปฏิบัติที่เหมือนอย่างเป็นไม้ค้อนเป็นพลังเรี่ยวแรงในการตอบไว้คือ อาตาปีความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนคือความเพียรที่เป็นเพียรอันแข็งแรงที่จะระ ง, งับกิเลสลงได้ไม่ใช่ทำเล่นๆคือต้องทำจริงเป็นความเพียรที่แข็งแรง สัมปญานโนรู้พร้อมหรือรู้ตัวคือรู้ที่อยู่กับตัวไม่ทิ้งตัวรู้เข้ามาภายในสโต สติกำหนดวินยโลเกอภิชาโดมนัสสังกำจัดอภิชาคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายในโลกดังนี้สี่ข้อนี้เป็นอุปการปฏิบัติ ในการที่จะตอกลิ่มสลักอันใหม่ลงไปดังเช่นจะทำอาณาปานสติจะกำหนดอิริยาบถจะทำกายกตาสติพิจารณากายเป็นต้นกรมาฐานเหล่านี้ก็เป็นเหมือนอย่างลิมสลักอันใหม่ซึ่ง แต่และข้อก็เป็นกรรมาฐานที่แข็งแรงเป็นเิ่มสลักที่แข็งแรงที่ดีทั้งนั้นจึงอยู่ที่กำลังตอกของผู้ปฏิบัติคือจะต้องมีทั้งสี่ข้อนี้แข็งแรงพอและตอกเอากรรมาฐานข้อที่ตั้งปฏิบัติไว้ลงไปในจิตใจ ต้องมีความเพียรที่มีเรี่ยวแรงจริงๆแล้วก็มีสัมปญาณะความรู้ตัวรู้ไม่ทิ้งตัวมีสติกำนดกกำจัดยินดียินร้ายเอากันจริงๆเมื่อเป็นดังนี้แล้ว จึงจะตอกอลิมสลักอันเก่าให้หลุดไปได้และเมื่อตอกให้หลุดไปได้แล้วจิตก็ได้สมาธิฉะนั้นผู้ปฏิบัติกรรมฐานที่ทําสมัยสมาธิดังที่บนบนก็อยู่นั้นก็เพราะว่ากําลังที่จะตอกลิมสลักอันใหม่ลงไปให้หลิมสลักอันเก่าหลุดนั้น ไม่พอลิ่มสลักอันเก่ายังติดอยู่อย่างแน่นหนาไปคิดคิดเอาว่าเป็นอาณาปานสติไปคิดคิดเอาว่าเป็นกรรมาฐานข้อนี้ข้อนั้นแล้วก็บ่นว่าไม่ได้สมาธิเท่าเท่ากับว่าไปคลาคลำดูลิ่มสลักอันเก่าเท่านั้นไม่ได้ตอกอะไรกันลงไป จะต้องตอกกันลงไปจริงๆต้องมีธรรมะทั้งสี่ข้อดังกล่าวมานั่นเป็นกำลังเรียวแรงในการตอกลงไปแล้วเมื่อเอาจริงแล้วก็ตอกได้เมื่อตอกหลุดได้เมื่อใดก็เป็นสมาธิได้เหมือนนั้นและอีกข้อหนึ่งนั่น ไม่ใช่ว่าไม่ตอบกันจริงๆอย่างเดียวยังรักษาอาลิมสลักอันเก่าไว้เสียด้วยหรือว่าตอบออลิมสลักอันใหม่ลงไปได้ยังไม่ทันจะหลุดดีก็หยุดแล้วก็กลับตอบเอาลิมสลักอันเก่านั้นให้เข้าที่สมัยเสียอีก คือแปลว่าไม่ได้ทำจริงติดต่อกันเรืมสลักอันเก่าก็กลับเข้าที่เดิมก็มาเสียบจิตไว้อีกเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าไม่ได้สมาธิกันจริงๆและแม้เช่นนั้นหากว่าดอกลงไปได้ครั้งหนึ่งคราวหนึ่งก็ย่อมจะได้สมาธิกันครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง แล้เมื่อลิมสลักอันเก่ากลับเข้ามาใหม่จิตก็ตกไปสู่กามคุณอารมณ์ฟุ้งส่านไปต่างๆตามเดิม